จะเห็นผู้ทนบริษัททุกโยมทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายทุกสายงานและทุกองค์กรที่วันนี้มาร่วมอยู่ในงานมหามงคลวันแห่งการให้ปีที่สี่วันแห่งการให้ใท้ที่จริงก็คือวันท้ายวันเกิดของอันตภาพแต่ว่าวันท้ายวันเกิด โดยตัวประเด็นก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรอามาจริึงเปลี่ยนวันนี้เป็นวันแ ห, ห่งการให้เพื่อที่ว่าทุกๆปีเมื่อวันค้ายวันเกิดของเราเวียนมาถึงก็ขอให้เป็นวันที่เราได้ให้กำเนิดคุณงามความดีเพื่ขึ้นและได้เป็นให้แก่โลกนี้ให้มากขึ้นทุกๆปี อาตมามีความเชื่อมัว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่ได้น้อมตนลงรับใช้เพื่อมนุษย์เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีฉะนั้นเมื่อถึงวันท้ายวันเกิดของตัวเองอาตมาจึงถามตัวเอเสมอว่าปีนี้เราจะทําดีให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร ปีนี้จะมีคนได้รับประโยชน์สอดิผย์จากตัวเราเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาได้อย่างไรการให้นั้นเป็นคุณธรรมสำคัญมากซึ่งทำแลาที่ประคับประคองรองรับมวลมนุษยชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเริ่มเย็นและเป็นสุขพระพุทธองค์ แม้จะแสดงัากันทั้งปัจจุบนเปนานมากแล้วแต่โลกก็ไม่เค ย, ยลืมพระองค์คนสำคัญสำคัญของโลกทั้หลายเช่นมหาดรรัชคาลทีรัชบุรุษของอินเดียนเ น, ยนสันมานดลารัชบุรุษของแอลเกาใตา้ประธานาธิบดีอัพรามเินคอนของสหรัฐอเมริกาแม่ชีเทเรซา ฟลอเรนซ์ไนติเกลมารีฟูรีเรื่อยมาจกนกระทั่องออนบอร์ไพสไตน์ได้ลงนักชั่รงรการที่5ครูบาลตีวิชัยหลวงพ่อคุณและหลวงปอ ง, องทฤษฎีสนาคคนเหลา่านี้เมื่ อ, อยังยนชีพยืนทนอยู่ก็มีแต่คนรักใครล่วงรับดักขันไปก็มีแต่คนอะไร และเฝ้ามองดูเพื่อเรียนรู้และเจริญปนะัญญาถามว่าทำไมโลกจริงไม่เคยเลยบุคคลเหล่านี้เลยคําตอบก็เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองบุคคลเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่เบิกบานในการรับใช้เสม น, นบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ น้องตนโลงรักใช้ผู้อื่นและบุคคลเหล่านี้นั่นแล้วแต่เป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นรักผู้ให้มีพระธรรมดาธ ร, ร, ารูปหนึ่งในสังคมไทยผูร้รักดับขันไปมรณะภาไปปีที่แล้วแต่ว่าเป็นที่เสียายและอาลัยรักของคนไทยเป็นอย่างมากเท่ากั้บที่ว่าถ้ารูปนี้ก็เป็นพระ บ้านนอกรูดีบางฉบับเรียกคำว่าทะบ้านบ้านที่เข้าไปนั่งอยู่ใน ใ, นใจคนไทยนั่ก็คือหลวงพรอปูนบริสุทธโธหลวงพ่อปูนบริสุทธโธในวันที่ถึงแก่วรรณภข้ามนั้นท่านยึดสื่อทุกสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิทัลส ocial media ส, สื่อออนไลน์ ตลอดจนถึงความสนุกสนใจของคนไทยนั่นเองไปรวมอยู่ที่การดึงแต้มบรดาภกขอ ง, ของครอบครัวทั้งหมดนี้ไมพระบ้านบ้านยกหนึจากต้นทุนคือการเป็นพระบรรลุการเป็นพระบ้านบ้า น, านจึงกลายมาเป็นบุคคลสําคัญในระดับชาติเป็นกระนั้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระพราชดำเนินไป เรื่องราษฎรนาธรรมและเยี่ยมพระเดชพระคุณท่านอยูที่วัดบ้รรไดโยมเท่าไรอาจารย์ก็นนสนใจเรื่องนี้กนะ็ว่าทําไมคนไทยจึงให้ความสํมาคัญจึงให้ความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณคนสุดท้านักตรรมก็พยายามที่จะศึกษาคนความเพื่อที่จะตอบคำถามว่าปรากฏการณ์หลงพ่อคุณนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ไปคนพราความจอมในมิเตียสามสีซึ่งคุณเดิมไว้ตามพระธรณม์ด้เป็นผ <in> ู้ก่อทัพเป็นผู้จัดพินนันคือเรื่องนี้ได้จอมเึือกชีว่ารวัติของหลวคูณแล้วคนเพราะว่าตอนอชีวิตของพระบ้านๆพระเณรี่อาจารย์รุ่นนี้ท่านบริจาคเพื่อสังคมไทยมากกว่าห้าพันล้านบาท ยังไม่มีมหาเศรษฐีหรือนักการเนไทคนไหนบริจาคไดมากขนาดนี้นี่คือมหาทานาบารีของทุกทุกวันมีคนไปกราบถ้ํนมีคนเอาเงินไปถวายาท่านท่านจะรับเฉพาะธานบัตรที่มีมูลค่าน้อยที่เหลือ ท่านทรงคืนญด้เดียวแล้วท่านบอกเอาไปทำทุนท่านเมปตักาว่ายิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งให้ทั้งหมดมันยิ่งได้ทัานาพวกเราลองคิดดูสิว่าความรุ่มลึกแห่งสติปัญญายอย่างนี้คงไม่ใช่พระธรรมดานะ้าธรรมดานิดแย่างนีนไมได้เนะพราะ อ, อะไร รยศศักดิ์อำนาจชื่อเสียงบริษัทบริวารเป็นลกธรรมที่ร right. ับรองถึใจมนุษย์ทั้งพระทั้งโยมยากหรือเกินที่จะก้าวข้ามกับดักของยศศักดิ์อำนาจโดยมากเมื่อได้ยศศักดิ์อำนาจแล้วมัจะมาตกหมาตายมักจะเหนื่อยลืนตัวมาก ไปไม่ถึงฝัง่มักจากยอมหิ้งจุดยืนซึ่งตนควรจะยืนเพื่ออะไรเพื่อไต่ไปยังบารมีอของยศองนาจแต่แล้วเราก็ควรกลับก้าวข้ามยศอำนาจได้สียิ่งคนให้มาถ้าก็แจกออกไปรับก็เพื่อให้ได้แล้วพ่อแจก่วนนั้นยังไม่พอเนาะ ก่อนจะถึงเกณวรรณะาวา ย, ยังทาวิเลยกาำยกสรีระสำคัญให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอแก่เอาไปเป็นอาจารย์ใหญ่อีกนี่คือการให้สุดท้ายของหลวงพ่อคุณนลวงพ่อท่านไม่เพียงแต่สอนแต่ถ้าทำด้วยแม้บุคลิ่ภาพขององค์ท่านจะเป็นเกีย์พระวันมาแต่สติปัญญาและปฏิปทานั้นไม่ใช่ ถ้าเป็นพระสุปติกาลนหนึ่ของสังฆทานเราท่านทั้งหลายปฏิปทาอย่างนี้แหละทำให้หลวงพ่อคุณก็เป็นนั่งอยู่ในหัวใจคนและเมื่อเราดูรับปผะานไปแล้วท่านไม่ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่มัดพันไรแต่ท่านเข้าไปนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่ทรงความสำคัญที่กว่า คับ อ, อีกตัวนั้นอยู่ในใจเราในใจคนไทยในใจสิทธิสยามและสิทธิทุนมีคนาตั้นรูปเพื่อรักพละละื้นทั้งตั้งแต่เล็กขนาดต้องชใช้กระจกสองจนกระทั่งสูงเกินกว่าเกืสิบชั้นไว้เป็นอาจารยาภูชาตั้งแต่เหนือเชิงใต้นนี่คือพระผู้ให้แ น, น, น่นอนข้าเป็นในวายใจา ทำให้อารมภาพเปลี่ยนบันค้าวันเกของตัวเองซึ่งหลายคนมักจะพยายามให้ความสำคัญแก่ตัวอรมภาพแต่สาหรับอารมภาพตัวอารมณ์ภาพก็จะมีความสำคัญอะไอมณภาพจริงอเปลี่ยนชุดเลกจนหมายจกเปี่นไปเป็นสังคมเปลี่ยนบันค้ายวันเกิดเป็นวันแห่ารในทุกๆปีที่วค้าันเกิดเดิมาถึงอัตมาจึงเรีกว่าเป็นวันมหากรรมหงทางให้ ให้โลกเดิมโลกรับดับขันไปก่อนอยูุ่คูนแต่โลกไม่ลืมและไม่น่าลืมครูบาศริชัยครูบาศรีชัยนั้นเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยทันวันโลกรับดับขันไปหลายสิบปีแล้วแต่เมื่อเอ่ยชื่อครูบาศรีชัยขึ้นมาคนไทยทั้งงมาเที่ยวถ้าเราไปเชียงใหม่ แล้วเมื่อเดกราบสักการะอนุสาวรีย์คุบาศรีชัยที่จมอยู่สุเท้ายยังไม่ถึงจมวัดคุบาศรีชัยเป็นครูบาที่อยู่ในใจคนไทยก่อนหน้าของเพราะได้ปฝากุลงานกันให้แก่สังคมไว้เป็นันึ่งประการทั้งที่นำได้และทั้งที่ไม่ได้นะหายหกตกหล่นไม่รู้เท่าไหร่เพราะในยุคนั้นสมัยโน้น ยังไม่มีกล้องวิดีโอยังไม่มีกล้องถ่ายรูปยังไม่มีสื่อมวลชนมาตามทำข่าวเหมือ น, อ น, นที่วันนี้ท่านทำของท่านเองอย่างบริสุทธิ์หมดจบเช่นเป็นประธานในการระดมศัตราที่ภาาสนินกาชนทุกภาคเหนือสร้างถนนของทางขึ้นสูน่นอร์ทสเทนเม่ใช้เงินหลวงไปจากนานเดียวและสร้างวัดไว้ตลอดภาคเหนือ หนึ่งร้อยหกวัดบูระนะเจดีบูระนะบนบูระนระไม่หาอีกไม่นะับในแต่จังหวัดภาคเหนือโยกไปเถอะจากว่ารอยมือรอยเท้าของครูบาศรีวิชัยอยู่ตามวัดสําคัญสําคัญ ต, ต่างๆเกือบทุกทุกวัดในภาคเหนือนี้ไปหาดูเถิดวัดพระรเจ้ากระสูว์วัดพระเจ้ากิตติวัดอริพุนชยัย วัดพระธาตุแท้แห่งวัดพระธานุนำเปล่าหลวงวัดพระธาตุดอยสิุเทพวัดสําคัญสำคัญเกิดพุทธวารในที่นี้มีรอยมือรอยเท้าของครูบาสรีบิชญาปรากฏอยู่เพราะท่านเป็นประธานในการสร้างและฟื้นฟูนะเมื่อตอนยังอยู่ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นตอนยังอยู่คนก็รัก ตอนจากไปคนก็อะไรครั้นจากไปนา น, นานคนก็สร้างอนุสาวรียเพื่อเป็นทรมานุศอเป็นราจราญยณุชานี่คือพระดีที่น่ากล่นานวได้วาพระที่เป็นในมานัญชัยของอัจฉริยภาคิรูปหนึ่งครูบาศรีนิชัยท่านเอก็ติทำประจำตัวว่าให้เข่ากับได้สัานวรต้องโค่นนั้น ยัดูน hey. <s Elliott> hey. ั่นเององค์โบาณของเราแต่ละองค์เป็นเพ้ที่เราวทุกเหลี่ยมทุกมงกุฎให้เอากลับได้ตอนเราให้ดูเหมือนเราจะเสียแจกอันนั้นแจกอันนี้แจกสารพัดเลยคือมืนจะเสียเงินเสียข้าวเสียของรวมมองด้วยตาเนือเนี่ยแจกก็คือเสียให้ก็คือเสีย แมองด้วยตในคือปัญญาจักสุขให้ได้สลนะรู้รงจุดแต่ว่าถ้าถ้ามาโดยิโยมติก็ให้แ่้วเป็นที่งามครูของอาตมารูปหนึ่งท่านกุฎาธาติกโกท่านพูดเอาไว้ดีมากอาตมาพักจาอยู่ในจิตในใจคุรอใจอรุ่งบนหินศิลาีิเมุ่งก็จะผลสาดแดดสองก็ไม่เลยท่านกุฎทธาบอกวา่าถ้าเจอมีขนมหนึ่ชิ้น กินคนเดียวอ่คนเดียวถ้าเจอบิดแล้วแบ่งเพื่อนมันจะอ pues ิอยู่ในใจเพื่อนตลอดกาล็นไหมันจะอิอยู่ในใจเพื่อนตลอดกาลอาจรมาเรียนธรรมะแล้วอาจยมาดูธรรมะแล้วอาจมาเนี่ยอามา่เขียนอามาเนี่ยกลัวภูมู้จะถูกกปีอ really. าานเนี่ยก็ไม่ม <ans> ีใครรู้จัก พ่อชิรัมหลพอชาชูมโาโตพรวิปัสนาจารย์บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วก็ท่านไม่แค่ท่านไปสอนพระราษฎโลกจะรู้จักอาจารย์ชาไหมพระบรมคุณาหองนักปราชญ์ซึ่งเขียนหนังสือกว่าสี่ร้อยเล่มได้รับการยกย่องทั่วโลกว่าเป็นพระนิจการเอาไปพูดนศาสนาระดับให้นั้นหนึ่งถ้าเป็นปราชลาเอโก แล้วไม่ได้ไม่สอนไม่เขียนไม่อนุากได้จัดทิ้งหรือซื้อใจใจออกไปโลกจะพร้อมคาราวะในสติปัญญาให้ออกไปเนี้ยจะเสียให้นบบ น, นะได้ได้ในความรักสนความโกรสนความนับถือในชื่อเสียงใ้เกียรติคุณแล้วอาจจะได้รางวัน แต่เหลือกว่านั้นได้ยกใจให้สูงขึ้นเพราะการให้นั้นจะต้องประกอบด้วยไม่งไงาจเกิดคำนึงถึงคนอื่นคนจะให้เป็นคนที่คิดถึงโ อ, อคนอื่นคนที่คิดถึงโ อ, อคนอื่นเสมอเป็นคนที่มีจิตญาณพระโพธิสัตว์คนเห็นแก่ตัวให้ไป่ได้หรอเห็นไหมฉะนั้นนักให้นี่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านเบนนิ่งากการ เราให้ออกไปพัเราได้บ <Okay. S 1> ังเหียมาแล้วไม่เราได้เสียสละความเรณีหได้เสียสละความโลภได้เส <Yes. S 1> ียสละยศศอำนาจซึ S ่งเป็นจริงสมมุติมันเป็นความลึับนักฐานสิ่งเรานี้ตามเข้าลงยังไม่ได้เลยสายตาพายรางวัลยอดชั้นพักยศทั้งหมดเด่นที่ก็ประดับไว้หน้าลงวันนั้นเอาใส่เข้าลงยังไม่ได้เลยนะแต่อายุยศสิ้เกิดจากการให้ันนี้เอ ความเมตตาความไม่เห็นก่ตัวการโน้มตัวลน้ม้าวใช้คนอื่นสิ่งเหล่านี้เอาใส่โลไม่ได้แต่ใส่เข้าไปในใจคนหนึ่งโลกได้ทำได้ยศซักอันหน้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นโลกิญสักเป็นผุกรีผู้ดีในสายตาของพระอเมจ้าแต่สิ่งเหล่านี้จะรู้จักบริบวกรู้จักใช้ เราเปลี่ยนโลกีนทรักให้เป็นอาทรัซาคือเปลี่ยนเป็นคุณธรรมในใจคนได้เปลี่ยนเป็นคุณงามความดีในใจคนอื่นได้ฉะนั้นเ <c oughs> มืออนน่อวานแดงการให้หรือวันท้ายวันวเกิดมีมาถึงอาตมาพักจริงมาถามเป็นว่าเออทีนี้เราจะห้อะไรทีนี้เราจะให้ <c oughs> อะไอาตมามีคติส่วนตัวว่าตื่นมาทุกเช้าจะถามว่าวันนี้ฉันจะได้อะไร อาณาจักรเด็กเสมอแต่รูุ้กวันมีคนมาธรรมวาลัสเอาสามพันคนเาเรีก็่เกษตรอาณาจัมรเริ่มาณาจัก็ให้ความเป็นเกษตรย่าโยนแล้วอาณาจักก็ให้โอกาสกับทุกคนแล้วให้รอยินกับทุกคนแล้วบานคณะมาถึงดึกๆเที่ยคืนอะตรมาเข้าจังวัดแล้วสี่ทุ่มรถตู้เข้ามาอาณากรลุกมาแล้วบางคณะมาถึงเที่ยงคืนอาณาจักรก็บอกว่ามาเดินขนานี้ก็ไม่ต้องไปนอนอยู่แล้วนอนที่นี่ นี่การะวันอนาาามา่ยงถ่ายพอวันว น, นี่ก็การแนี่อยู่วันหนึ่งมีคุณยายมาหามายายกับหลานการคนนับพันคุณ ย, ายมายืนอยู่ปลาสุดอระภาพมองลงไปจากธรรมะเห็นคุณยายการะตือร้นจูงแขนหลานเข้ามาหลานก็ดึงไว้ยายก็จะเข้ามาหลานก็ดึงไว้ รอจนคนสายายเข้ามาหลานก็อยากเข้ามาอาตมาเห็นอาตมาเลยเนี่ยยายเข้ามาสิจะถ่ายรูปใช่ไหมจะฆ่ะเอ้ามาที่ยายมานั่งแน่นี่แล้วยายมีกล้องไว้ทำไม่ฮาลาต้องมีกล้องเลยหรอเกรงสิอาตมาก็เอ้ายายไม่มีกล้องไม่เป็นไรมานั่งแน่นี่มาถ่ายรูกันเดี๋ยวอาตมาก็จะถ่ายให้ แล้วส่งไปให้คุณยายยายมันเล่นได้อาตาอยู่สามหน้าเดก็ไปก็จะยายอยากทายนิ่หน้าหลานซิงซึงไว้ด็เพาถายแต่ยายกมาถ่าอาตามีความเพราะว่ายายน้ำตาไหลน้ำตารือเป็นสองแขนไหลไ ยายบอกว่าเลยตายแล้วกำลมาถามว่าทำไมจะเรีกตายายใครดูทีีทุกวันกำลังมากราบทัวเป็นเป็นแล้วมันมี่ตัวไม่เป็นเห็การให้มันไม่เป็นว่าจะต้องให้เงินเป็นทอเราให้ความรักเรางห้ความเตอราให้คามกุน เราเขาลบเลยสติความเป็นมนุษย์ของทุกคนโดยการได้เย่อหชั้นนันนะเราให้เวลาแก่เขาแค่นี้ธรรมะไม่เสียอะไรเลยแต่บุญยายมีความสุขถึงขั้นร้อห้เยอะหลือยการทําให้คนเราองไห้นั้นมีสองอย่างหนึ่งทำให้คนร้องไห้แล้วเขาล้ำตาไหลด้วยความทุกข์สองทำให้คนร้องไห้แล้วเขาล้ตาไหลด้วยความสุขพวกเราทําเป็นไหม ทำให้คนน้ำตาไหลแล้วเขามีความสุขส่วนเมื่อพระองค์จะถนัดที่สุดเขาให้คนน้ำตาไหลแล้วทุกตากตายการให้สามารถทําให้คนน้ำตาไหลแล้วมีความสุขสุขผู้ให้และสุขกู้รับกู้ให้ผู้รักไม่มีใครสมสมใคเราต่างก็เท่ากันเพราะถ้าไม่มีผู้รัก ผู้ให้ก็บำเพ็ญทานกบเราีเลยนะในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานยืนว่าผู้รับีก็ควรก่อนผ้ให้ทุกัมเนครั้งหนึ่งนมหาเศรษฐีคนนึงไปแอทางคนยากคนจนมารับแล้วมหาเศรษฐีก็เป็นบว่าทไมเดีวรับากอคุณสักคาเลยก่อนจะกลับที่กดถามไม่ได้ทาไมชาวบ้านกอคุณรัปถามชาวบ้านทำไมผู้เกิดไม่ก่อบคุณซะเลยชาวบ้านก็ตอบว่า ทำไมต้องขอบคุณถ้าพวกเราไม่มารับคนที่เสียสิจะได้ให้อีกไห <c oughs> เป็นอรเดียนะเพราะฉะนั้นผู้รับเม่คุณยิ่งกว่าผู้ให้ตัวเองนะแล้วถ้าเราเป็นผู้ให้จงให้อย่างอ่มถ่อมต น, นอยา่าไปให้ด้วยความสําคัญมั่นหมายว่าเรานี้ทรงความสําคัญนะเราไม่ไสําคัญเพราะเพราะถ้าเขาไม่กดโอกาสให้เราได้บำเพ็ญงา น, นบารมี เขาก็มาเป็นมาเขาเองเลยนะนี่คือการให้เป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงไม่ใช่เรื่เงินเป็นการสหลายตัวภูมิของกูเป็นการปลดสลายความยึดติดถึงว่าในตัวเองเพราะคนที่ยึดติดถึงว่าในตัวเองคนที่เห็นแก่ตัวให้แก่คนอื่นไม่ได้เพราะการจะให้แก่คนอื่นมันต้องคิดถึงคนอื่นฉังนั้นการให้จึงเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูง เป็นผุ้สรรมบายในการนำให้มนุษยชาติอยู่ร่กกรรวมกันอย่างสงบเรอเย็นและเป็นเกิดมาเป็นคนกะดับชาตอย่าให้โลกราหน้าเราว่าเราเป็นคนตระนี่เป็นคนโลกโมโนสาเป็นคนเห็นแก่ตัวขอให้โลกพูดถึวเราด้วยความสุขด้วยความรู้สึกสาทา เดื่อความย่อมย่อมยินดีว่าคนคนนี้แหละเป็นคนฉยาดคนคนนี้แหละเป็นคนที่ทําให้ประเทศชาติด้านเมืองสูงขึ้นคนคนนี้แหละเป็นคนทําทำให้เจ้าว่างในทางเศรษฐกิจในทางสังคมได้รับการของจุนแตงและคนคนนี้แหละเมื่อตอนอยู่เขาก็เป็นที่รักเมื่อตอนจากไปเขาก็เป็นที่คิดถึงสรุปเป็นปรายได้ในท่านทั้งหลายอยากเป็นที่รักของชาวโลก ให้อยู่ทัศนว่าอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่เส้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่เั่วฟ้าดินอาจารยนพพเอ า, ามาเขียนให้จำง่ายๆอีกประโยคหนึงว่ายิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอบนี่ยพอยจะไปสู้หลวงพ่อคูใช่ไห้หลวงพ่อ <c oughs> คูยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งให้ทั้งหมดมันยิ่งได้หลวงปูค่ครูบาสศรีชัย ให้เท่ากับได้อาด harma p a r เล็กท่านอ้อยท่านหลวงท่านน้อยขอเติมด น, นิดนึงว่ายิ่งห่วงยิ่งหายยิ่งให้ ย, ยิ่งหงุหรือขอให้เธอเบริบาลกับการรับใช้เพื่นคนที่เบิบาลใช้การรับใช้เพื่อนมนุษย์เท่าไหร่เป็นคนที่มีมวลเสน่ห์ยิ่ง อย่ามีเสน่ห์ไหมอย่ามีเสน่ห์นะน้องตนลงให้ต่ำๆน้องตนลงให้ต่งๆสิ็มทีรู้อง่นเกไหมช่วงดก็ดีนะการเมือก็ดีดาราก็ดีซุปเปอร์สตาร์ก็ดีหมาเศรษฐีก็ดีคนสาคัญก็ดีถ้าปิดหนึงนะถ้าไม่ติดเนื้อถึงตัวถ้าเป็นนักสินนักบุญถ้าเป็นักอะไแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้รับความนับ มันไม่ยากเลยถ้าอยากได้เสน่หยังไม่ต้องกุ้มตุ๊กตาลูกเีพอันมาไม่มนีตุ๊กตาลูกเทพเลยไอคนมาหาทำอะไรก็สำเร็จนี่ขอการพูดนิดนึ่งจะเดินใจมาหลายกว่า สืบันมาทุกวันไม่ได้ลคเข้าใจจาพูดอะไนี้ย่อมอยาเป็นที่นะย่อมอยากมีเสน่หย่อมอยานั่งอยู่ในหัวใจคนยมไม่ต้องใช้เทวาบาริหารใดๆเลยเลือกบร์ะจากุ่งแค่ทั้งหายธรรมาจะบอกให้ใครสร้างกกรจากรุ่งแมนุษย์มนุษย์ที่มีกี่เหีนี่ เกกตรก็สรุปว่าทานที่มีกิเลสเยู่เท่อ่สิสาร้ล้านกร้อยล้านลูกอะรแบบนี้อย่างเดกิวเลยทั้งคู่คำถามคือแล้วจะเอาเอชาลุภาคที่ไหนมาดดนพนาประกันวอนให้โยมประสบความสุขกัดน่างาะทที่มีเท่มากที่สุดอินเดีย อินเดียม <c oughs> ีเทพมากมายท่างและเห็นและทรายในมหาสมุทรแต่ประเทศนั้นคนด้วยการศึกษาเป็มปเคนแอบคนจนเต็มปเทศคอรัชชันเต็มบากเต็มมือการดูเหมืนถินรการเอารักเอาเปรียบสึงกานและกันของชนแวนนาทั้งสี่เยา้คมอทถามว่าแล้วเทพทั้งหลายทาไมไม่ทาให้ประเทศนั้นมั่งคร่รวยให้เดทุกคนได้รับการศึกษา ฤดูที่ที่แล้วร้อนตายสองพันกว่คนถามว่าแล้วทำไมเทพไม่ห้ามเห็นไหมตา ก, ก า, ากาศง่ายๆได้มากมาอย่าไปเสียเวลาบนบานสารกล่าวถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จท่านหันมาบูชาใครบูชาสติปัญญาของตัวเองถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้ า, เาพดดาระพุทธเจ้าจะบอกว่าอย่าบูชาฉันเธอควรจะบูชาตัวเธอเองพลวงปู่ ด, ดูลยบอกว่า อาานิอันตโนาโถตนแลเป็นนิอตนเพราะแปลว่า you are your own master เธอนั่นแหละคือผู้กุมชะตาของตัวเองเธอนั่หละคือกับตามแห่งนาวาที่ีของเธอเองอาตานิอันตโนคติเธอนั่นแหละเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเองไม่มีสักคำหนึ่งออกจากปากพระพุทธเจ้าที่บอกว่ามนุษย์ทั้งหลายเลยจงพากันไปบูชาขุนเทวคามเว สิ่งับสิทธิ์อิจีวิปาฏิหารไม่มีเราทั้งหลายที่อาตายานก็เป็นชาวพุทธเรื่องนี้อาณาภาพขอพูดในนามของพระสงฆ์รุ่นหนึ่งซึ่งรักประเทศไทยว่าเราไม่ควรจะหลงไหลไปกับมาตรฐานอันได้สาระของสังคมกระแสต่างๆหลงไหลเข้ามานั้นใช่ว่าเราจะต้อง ตอบรับตอบสนองหรือวิ่งตามเสมอไปกระแสบางอย่างนั้นเป็นกระแสที่ไร้สารเราทั้งหลายที่บอกเลยว่เป็นชาวพุทธเราต้องยืนยืนให้ชัดเจนว่าศาสนาของเราสอนอะไรหลักการของพระพุทธในศาสนามีอยู่ว่าอย่างไรพุทธในศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาอเตถิวัตนิโยคคือเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าสูงสุด และไม่นิยมนับถือบูชาเทพเจ้าว่าสูงกวมนุษย์แต่พุทธศาสนานั้นในเมื่อไม่ใช่อาเทว่านิยมนั่นแต่เป็นมนุษยอนิยมเป็นศาสนาที่เชื่อมั่นสถานในพลังแห่งสติปัญญาของมนุษย์และความจริงของโลกก็คือโลกนี้จะเป็นไปอย่างไรเมื่อได้เป็นไปตามที่สิ่งสักดิสิทธิ์บนบาประทานพรโลกนี้เป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัย อยาเจออะไรดีๆอย่ากพบอะไรดีๆสร้างแหตดีๆใช่นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่แม่ไก่กอบไข่นะแม่ไก่กเขาไปเลี้ยงกบไข่ถ้าอุณหภูมิมันพอเหมาะพอพอเดีย๋ยวลูกเชียก็แตกประปรบออกมาเองแม่ไก่ไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ไม่ต้องขอก็ได้นี่หลักของคำพูดในศาสนาแท้ๆเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้อังคะอังโลหลักลอย ก็จึงถอยหลังหมดไม่ค่อยอยู่กับหลักไม่ค่อยอยู่กับมาตรฐานบ้านเมืองจึงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องไหยอาตมาภาพขอฝากด้วยขอให้อยากยืนในหลักการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้มั่นคงไม่ว่ากระแสของผลประโยชน์ไม่ว่ากระแสขอ ง, ของยึดอำนาจ ไม่ว่ากระแสะของของคงนใดจะไหลเชื่อมกลากงทางใดก็ตามขอให้ยืนยันศีลากลงางทาเชื่อให้ชัดเจนว่มมาเราจะไม่ไหลไปตามถ้าเราจาพุทธชัดเจนอย่างนี้สมองไทยของเราไม่ยุ่งถ้าเราจาพุทธชัดเจนอย่างนี้พระสงฆ์ก็คงไม่ต้องออกมาก่อมอกรรมของถนงน แต่เพราะเราท่านทั้งหลายทั้งราชทั้งโยมนั้นยอมยอมสูญเสียจุดยืนแล้วก็พากันไปอยู่กับรถสั่งกำนัลอย่างหน้าเว้าตาโมงน่านเมื่อหนูเต็มได้ปัญหาอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นในฐานนะพระรูปหนึ่งซึ่งยากโยมท่านทั้งหลายักบาร์ทำบุญถวายข้าวถวายน้ำให้ฉันอยู่ทุกเมื่อเชื่อว่าตั้งแต่บวมมาจนถึงวันนี้ อาจจะมาพักจริงๆที้จะเท้กลงสอนกลองเพื่อโปรดแยบโยมให้รู Q ้จักพระธรรมที่แท้จริงไม่ยอมที่จะทรยศต่อหลักการของพระพุทธศาสนาไม่ว่าใครชาวอะไรมาให้เท่าไหรก็ตามไม่ตามทันซิฉะนั้นวันนี้เป็นวันค้ายวันเกิดอาจจะมารั้งใจพื่องนี้เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิแผ่พุทธบริษัทธ์แยโยมเพื่อให้เกิด เสียงแห่งวัตถุธรรมตักเตือนสังคมไทยซึ่งนับวันจพะพลาดจากจุดจากหลักที่คนยึดคนเ ก, กาะกระจาออกไปมากขึ้นทีแนละถ้าเราทัศนารอยาบเป็นที่รักอยากเป็นที่เคารพอยากเป็นที่นับถือยาบเป็นในั่งอยู่ในใจคนไม่ต้องใช้บริการเทวาปฏิหารได้อย่างสิ้น ให้ริการธรรมะของพระพุทธเจ้าเถิอยากเป็นที่รักอยากประสบความสาเร็จความให้ดีนะทำตามอิทธิบาซสิศรัทธามีใจรักมีระยะภาคยันธรรมจิตตักจดจาจดจิตมีมังสาเื้องเล็ตมีใจมีใจรักภาคยันธรรมจดจาจดจิตมิเน็ตมีใจใครเอาไปทาสาเร็จทุกคนสาเร็จทุกประการงานก็สาเร็จชีวิตก็อึดอั สำเร็จทั้งงานสำราญทุกคนในแกมบธรรมานี้ไม่มีตั้งรางของไขในะซึ่งเดินทางเข้าไปตัวโลกมากกว่าห้าสิบประเทศยมยิ้มวนประเทศไปสอนโยมมักจะขอตังร่างของอาจารย์ระชามาบอกไม่ได้อยู่ในยกลแล้วอยู่ไหนอรรมาจีให้ดูในหัวอยู่ในนีอยู่ในนีอยู่ในเรมองนีไม่ได้อยู่ในยกลไม่พบ ก็ให้มาไม่ให้มาแล้พระพุทธเจ้าให้มาเป็นเชิงที่สุดแล้วสติปัญญาคือพระที่ขั้ที่สุดอยากเป็นที่รักพระพุทธเจ้าก็ให้สูงไแล้วเพื่ออริวจีเราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนเสมอสมานี่สูงยาเสน่หนะอกเป็นที่รักหน้าหน้าหงกไป่ร้ อาบน้ำวนเจ็ดวัวก็ไม่ต้ององคาที่จะไปบูชาพระราหก็ไม่้องชงก็ไม่ต้องไปแก้มก่อนมีคนมาถามพระอาจารย์ปชพระอาจารย์ก็อะไรมบอ ก, ม, ก, บกม้จั <c oughs> แต่ชมนตีใจะเชื่อ เ, เป็นไรก็เชื่อแล้วสบายใจก็ตามวัทสยแต่ตมต ม, ามเาดยมขอเชื่อแล้วรู้จ แตบรรด า, นานคนที่พูดแล้วแรกเชื่อที่ส่ดนหึงไม่มีใครเกินมาพูดถึงเจ้าอาตจามาในฟอลโล่มาพูดถึงเจ้าจะตามมาพูดถึงเจ้าแต่พวกเราจะตามใครก็ไม่เป็รหรอกนะไป็นเสถียรภาพส่วนบุคคลนะส่วนบุคคลไม่เป็นไรนี่คือส่วนมหาเสนเลยนะเพื่ออะไรมัจจิไตรลัตสงกราะต์ชนวางอุตลสมเสสมานะทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะ อย่างบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อย่างให้ประหารในที่ที่ันนี้จะทําอย่างไงเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้กลมบริหารเรียนพยายามปกติให้ดีก็ตามรับทุกคนรักทุกคนเนบริษันต์รายวันทั้งหลยที่มีชีพมีนรำมัมีน้ำัวรงรัหมดไม่เรื่องที่เรากไม่มาที่ช่ำสอนพยายามีปัญหาเราช่วยทุกคนไม่เรื่องที่รากไม่มาที่ฉ่ำ สามเห็นคนอื่นได้ดีในความสุขเราไม่ริษยาเลยเพื่อใจให้กว้างกว้างกว้างว้ากว้างกว้ามหาสมบูรใครได้ดีในความสุขเลยนี่คือการนำช่องทางเรายกมือสามเรียกว่ามุทิตาผู้ใเจะสอนดีแล้วเกิดแต่คนไทยเรื่องมุทิตาเห็นใครได้ดีในความสุขปักเห็นใครได้รางวัลพับเราเอาวิษยาไม่ออกนะโอเคแต่ถ้าคนอื่นได้ดีในความสุขถ้าเรามุทิตานะ สุดของเขาเป็นสุดของเราด้วยแต่ถ้าเราริษยาสุขของเขาทั้งไม่กลายเป็นทุกของเราใช่หไหมแล้วคนไทยเนี่ยข้อสามสอบไม่ผ่านชอบกกวิษยาสังเกตดูก็ได้ดูละครชอบเชียร์ตัวไร <c oughs> ในเองไม่เชียร์มันใช่คนดียอชอบเชียร์้นร้ายชอบเชียร์ตัวริษยาผู้จัดก็ชอบก็เลยจัดให้ผลลัพได้อีกหลายคนย้ายเป็นตัวไรเป็นตัววิษยา ใช่ไหเห็นใครได้ดีในควมสจเลยนะบูริตาลอยโมทนาสาธุและในสถานการณ์ที่คนขัดยงกับธรรมคนขัดแย้งกั บ, บกฎหมายวางใจให้เป็นกลางมี ว, ว่างอุเบกขาเดชว่าไปตามเดชภูว่าไปตามภูไม่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างคนอยืนอยู่ตรงกลาง รักษาใจให้เป็นกลางวางใจแในกา ร, รทรงความยุติธรมธ ร, รมไว้ให้สังคมท่านเป็นนายคนท่านเป็นผู้บริหารท่านต้องใช้ทรงบริหารรธรรมเมตาการุณาโมเมิตาอุเบกขาเห็ไหมเอาให้อีกส่วนหนึ่งซุ้มตุ์กตาลูกแ่ร่งให้เยอะข น, นั้นี้โกรว ม, มชั่นน้อยแล้วเนี่ยทำไมให้เยอะาอีกส่วนหนึ่งก็ค้าไม่ขาจะขายของเังทำยังไง ก็มองว่าถ้าเราเป็นพ่อค้าให้ขายนะให้ไปใิบาติตามหลักธรรมสำหรับทงธุรกิจหนึ่งจาคุมมามีนที่สายทัดจะขายอะไรดูกระแสก่อนดูทิศทางลงก่อนดูแนวโน้มของตลาดก่อนสองวิธีโรเป็นนักบริหารจัดการที่ดีอย่าใช้แต่สัญชต า, าตญาณจะทาธุรกิจอะไรประชุมวางแผนบริหารจัดการเขียนแผนธุรกิจ วางแผไในกระดาให้ชัดคิดให้จบให้ลง no. มือสามปุ่นปันนิสยาสัมปะโนถึงร้องไม่แหลงทุนแลเงินกู้อาศัยสมัยใหม่ก็เรียกว่าคูนคอนเนคชั่นจะทำธุรกิจเนี่ยตัวคนเดียวไหวไหมคิดได้แต่ทำไม่ได้หรอทําเงินมาจากไหนเดินก็ไปในธนาคารเลรู้จักใครทักคนเดี๋ยวตรพอก็กุ้มโยนออมาห แต่้ารเราเพื่อนเยอะนายก็เดินลุกน้องก็ดันคนเสมอกันก็ช่วยโอ้โหเราจะไปคู่จะไปเยืมที่ไหนเนี่ยมีคนพร้อมช่วยเหลือก็พูดเยอะแยะมากมายนไหเนี่ยไงไงสูตรด็ดขนาเนี้ลูกกระตารุ่เพจะจัดให้ได้ยังไงพูดก็ไม่ได้กินแต่ห้ามแดงขึ <c oughs> <c oughs> ้นเครื่องก็อย่ามานั่งได้เอามาเลยยนหัวเราแล้วถ่างเลย อันนี้ดเล่นแต่ทำามกลัวทำไมกลัวมองมันมันข้นนดหนึไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ว่านะแต่ทํามกลวอย่ามาใกล้มเอาทีนี้สาหรับญาติโยมประชาชนคนเดินดินธรรมดาล่ะเนอสูตรต่างๆที่ให้มานี่มันจะพอกลุ่นประชาชนคนเดินดินธรรมดานี่หาเช้าตีห้าอยากจะได้ใคล้จะเมย เอาลราไม่มีปัญญาปุจารโรกระทาลโรคแค่มีสูตรให้ไหมเมยคนทุกคนอยากมั่งเมีสิสุขจัดให้สูตรนี้เรยว่าหัวใจเศษฐีอยากเป็นเศษฐีอยากร่ำรวยมั่งคัง่งยั่งยืนอยากกินกินนอนดุนทาตามสูตร น, นี้หนึ่งกัลยาหาสองรักษาดีสามเมย์กัลยาณนเดสี่ใช้ชีวิตสมดุลซึ่งไนหลวงสงใจ้คำว่าใช้ชีวิตพอเพียงสาเดีกัน ขยันหาก็คือขยันทำงานทุกวันตื่นเช้ามาทำงานทุกวันคนจีนบอกว่าขยันทุกวันสามร้อยหกสิห้าวันไม่รวยคนนี้มันรู้ไปเห็นรษาดีเงินแล้วก็รู้จักเป็นรู้จักอมโบราณท่านบอกว่าน้ำหยดดีละน้อยน้ำหยดดีละหยดเศรมากหยดน้อยหยดบ่อยบ่อยมันก็หมดอมทุกวันวันแล้วแตเดี๋ยมันก็เต็มตุ่มเต็มหาใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เต็มความเสีย เต็มบัญชีใช่ไหมล่ะออมทุกวันเดเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็ลดแต่ถ้าถอนทุกวันใช้ทุกวันมันละบากเงินล้านทั้งหมดฉะนั้นยอย่าลืมอย่ากังวลดูคะแนการเก็บกับออมโบราจีนสอนว่ามีกตลืงพึงบัรจบให้ครบปากอย่าให้กาดสิ่ของต้องประโส ổ. มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจอย่าใจลงให้มากใจยากนาน สามมีทละยนาเม็ตก็คือ ค, คนดีอย่าคนผ่านอย่าคนเร็วอย่าคนที่ติดสุรายาเสต็ดหรืออย่ากไปย่งเกี่ย ว, ยวบางอยา่างงบเพราะคนไม่ดีและบางรยามุงงจะทำให้เงินทองของเรานั้นร้อยหรอโด ย, ย, ยไม่สมเหตุนสมผลอย่างรวดเร็วด้วยที่ใช้ชีวิตสมเดนเวลาจะใช้เงินงบบาทุกสตให้ถือหลักจับายใช้สอยมาก่อนจัจ่ายใช้สวย จับใจใช้สวยเนี่ยเอาความจาเป็นเป็นตัวตั้งถ้าจับายใช้สวยเอาอิเลเป็นตัวตั้งตามไม่ทันหลอกเดี๋ยวชั่นมีทุกร ด, ดูนะดูจีว่นกระมาเนี่ยวิ่งตามแฟชัน่นที่ไหนไม่เคยเปลี่ยนเลยดิ่เหลืองทองเนี่ยีย่สิีี แ, แล้วตั้งใจบวชนะไป็นข้วสังคมเุม็นลูสังคมไม่เห็นมีใครบอกว่ า, วาเคยนะออ เ, นเนี่ยไรั่งเตเนี่ย นักศึกษาแห่หายลูกเพราะเขคิดว่าเป็นแฟชัน่นใหม่นี่มากเขาบอกว่าท่านกล้าใช้สีเนะาะต้องดูไปจากทีวันครับเก่งไนี่เพราะฉะนั้นจับจ่ายใช้สอยก็ง่ายถือหลักสรดุลรายรับเราแค่นี้เราจะจ่ายยังไงถึงจะพอเหมาะพอควรคำนึงถึงทางสายกลางคำนึงถึงหน้าตา ค, คำนึงถึงเงสกุคลคำนึงถึงเงือนไขว่าเรามีรายรับแค่ น, นี้เราจะจ่ายยังไง แต่ได้จังก็อยากไปดับจิตโรคสนิยกสูงอยากได้ของเงินเลยก็ไปซื้อของปลอมจริงๆมาใช้ก็ได้ <c oughs> มันก็จริงเหมือนกันก็เหมือนทุกอย่างเห็นไหมไม่ยากเลยนี่คือสูนสูนจางๆซึ่งหลวงองค์ทรงสอนเอาไว้เรียกว่าเป็นสูนสำเร็จแห่งชีวิต ใครนํามาประพฤติปฏิบัติจากสําเร็จทุกงานจะสํำราญทุกคนหรือสําเร็จทั้งงานสําราญทุกคนในเะรื่องนั้นพระพุทธของเรามีพระนามแดงว่าสิทธะแปลว่าสมปรารถนาความหลวงพ่อสมปรารถนาดีกว่าความโลกตาทุกทีาานะที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราเกลียดชันอะไรนะอาตม า, าไม่ได้กเกลียดฉันอะไรหรอกเรอยากจะบูชาก็บูชาไป เป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพของผู้ดำเนินศาสนอย่างโยมจะจำบูชาอะไรจะเชื่ออะไรอย่าให้มันทําให้เราลดความศรัทธาหรเชื่อมั่นในตัวเอง น, นจะจำบูชาชนะชื่ออะไรก็ตามอย่าทําจนกระทั่งว่าเราไม่เหลือความศรัทธานในตัวเองศรัทานนะบูชานะแต่อย่าลืว่า เราก็บูชาเลยนะเราก็สัตหานัยเลยนะสัตวที่ทประสบที่สุดคือการสัตหานัยสติปัญญาของเรื่องบันดาลน้ทุกคนนั้นตกลงพัฒนานะ้อย่าให้เก่งอย่างไรก็ฝึกเอาอย่าให้สำเร็จสูงอย่างไรก็ซ้อมเอาเระดับความสําเร็จมีงานวิจัยของพวกเราวิจัยออกมาแล้วบอว่าคนที่ประสบความสําเร็จในระดับตานานทั้งหมดมีคามํคาำคำเดียวเท่านั้นที่อธิบายได้อเมริกาไม่รู้จักลูกแท่นั้น คำคำเดียวที่อธิบายความสำเร็จของยอดคนระดับ s t a t e Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bill Joy หรือคนสำคัญสำคัญแม้กระทั่งไมคูฟูจิสันงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่ามีคำเดียวเท่านั้นที่อธิบายความสำเร็จของบุคคลระดับตำนานนั่นก็คือคำว่าซ้อมซ้อมซ้อมฝึกฝึกฝึกและต้องฝึกหนับเกินหมื่นชั่วโมงขึ้นไป ใครทำงเกินหมื่นชั่วโมงขึ้นไปจะกลายเป็นเจ้าของความสําเร็จระดับทํางานโยมเลือกเห่านะพระอาจารย์นำเสนอให้แล้วะว่าคำวิจเจ้าท่านว่าอย่างนี้ถ้าอยากสําเร็จนะสายลปศาท่านว่าอย่างนี้ถ้าอยากสาเร็จโยมก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนเดินเข้าห้างก็ไหนโยมสินค้าแต็มไปหมดโยมจะเลือกเข้าร้านไหนเป็นเรื่องของโยมอาตมาก็ในฐานะพระสงฆ์ก็ได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ นำบางสาระการสอนมาวางให้ด okay. so, ูแล้วก็เลือกเพื่อให้พิจารณาการเอาลัดในท้ายส่วนนี้นอจาวันนี้เป็นวันแห่งการให้อาหาภาพก็ขอประกาศนามวาทานนายสารกุศพุทธบริษัทยาโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมให้อาหารกลาวันที่มาร่วมให้น้ำสาหรับเลียนพุทธบริษัทยาโยมหลายพันคนที่มาร่วมให้ ข้าวปาอาหารที่มาร่วมให้ผ้าห่มกว่าสามพันผืนที่มาร่วมรับเป็นเฉพาพกระเบื้องงูหลังคางกว่าสามหมแผ่นที่มาร่วมสร้างเข้าวิวัฒนที่ไร่เชิงตะวันมากกว่าห้าร้อยตัวที่มาร่วมแจกคุนการศึกษาแก่ลูกพักล่กเง น, นและที่มาร่วมกับอาณาภาพฟื้นฟูโบราณวัตในจังหวัดเชียงรายกว่า64วิบสัดโรงเรียนกว่าสิสองโรง ได้ของพวกในบริษัทยากโยปีกว่าหนึ่งหมื่นห้าพัหนังทั้งหมดทั้งวันนี้โยมทั้งนั้นพวกเราทั้งนั้นที่เป็นผู้ให้โดยผ่านมือธรรมภาพธรรมภาพเสมอเป็นแกนสะพานแห่งการให้นั่นงฉะนั้นทุกท่านทุกคนทั้งหลายวันนี้ใครที่ได้ให้อะไรก็ตามขอให้นึกถึงการให้ของตัวเองปัดตาลมขอให้นึกถึงการให้ของตัเองเช่น เรามาที่นี่เราก็ให้โอกาสตัวเองได้มาอยู่ในใต้ห้องตรงทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะพาพ่อพาได้มาเราก็ได้ให้โอกาสทองของการปฏิบัติธรรมแก่พ่อแก่แม่แล้วถ้มันั่งมาฟังธรรมตั้งแต่ต้นจนจ บ, จ บ, จ บ, จบก็ถือว่าได้ให้โอกาสตัวเองได้เรียนธรรมแล้วนึกถึงการให้ของตัวเองนึกถึงทางอันบริสุทธิ์ของตัวเองนึกถึงการเสียสละอันบริสุทธิ์ของตัวเองนึกถึงน้ำใสใจจริงของตัวเองที่อยากจะ ทำให้โลกนี้ดีกว่าเดิมขอให้กุศลบนทางทั้งหมดนี้ที่เกิดจากการบำเพ็ญทานแะบารมีของการดำภาพจงมารวมกันเป็นกองบนกองกุศลและจงรวมกันเป็นตบกักเป็นเดชเป็นภาระปัจจัยอําน่อยอวยชัยให้พวกเราทุกท่านทุกคนทุกสายทุกองค์การจงยืนก็มีชัยจงไปก็จงมีก็ประสบแต่ความสุขความเจริญรักษาจากสัตว์โล สภาพตัวสาพรูปสพสพสหา้มรรเร็นทรัการท่เซ็ทรัลโดยเฉพาะและที่ประกอบไปด้วยกสัวากาทประการ อยู่เคียงทางฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันันกปัจจุบันยัดยมตรงนี้ลงหายใจท่า Bye.